ข่าวหนึ่งซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ข่าวด่วนข่าวไวาเท่าไหร่นะก็ประมาณสักสองสปีมาแล้วแต่มันก็น่าคิดน่าสนใจเอามาพิจารณาเทียบเคียงกับตัวเองได้ก็คือมันมีข่าวว่าคนอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ใช้เวลาในการส่องกระจกดูหน้าตัวเองเนี่ยนะวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ34ครั้ง ถ้าเป็นผู้ชายก็ยี่สิบเจ็ดครั้งพูดง่ายก็คือว่าเฉลี่ยแล้วนะชั่วโมงละสองครั้งนะหรือว่าครั้งละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ดูทีนะอันนี้เนี่ยก็มาเปรียบเทียกบกับพวกเรานะเออว่าวั น, ว, นวันหนึ่งนี่เราใช้เวลาอสองกระจกดูหน้าตัวเองนะกี่ครั้งนะอันนี้จะคิดต่อไปว่าถ้า วันนึงเนี่ยเราเนี่ยลองหันกลับมาดูใจเราบ้างกลับมาดูใจก็ไม่ต้องมา ก, ก น, นะแคะ่ชั่วโมงละสองครั้งไม่น้อยกว่าการส่ อ, สองกระจกดูหน้าตัวเองก็คงจะดีไม่น้อยนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะมีจิตใจที่เป็นปกติหรือว่าเป็นสุขมากขึ้นคนทุกวันนี้เนี่ยนะ เราสนใจแนตะ่เรื่องเสื้อผ้านหน้าผมนะสนใจแนตะ่เรื่องรูปร่างของตัวเองนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะแต่ว่าคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายอย่างเดียวนะคนเรามีใจด้วยแล้วเราส่องดูใจของเราบ้างหรือเปล่านะหรือว่าส่องแต่หน้าตัวเองแล้วเวลาส่องก็คงไม่ใช่แค่ สองเย้ฉยนะก็คงอยากจะทำให้มันสวยด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราละเลยนะการที่จะมาทำใจของเราให้งดงามนะมันก็เป็นผลเสียกับเราเองนะคนทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตานะสะอาดหมดจดสวยกว่าคนเมื่อก่อนมากนะสิวฟ้านะรังแคนะ เดี๋ยวนี้ก็หดหายไปจากหน้าต่างผู้คนเยอะผมนี่ก็ดำสลวยถ้าเทียกับคนสมัยก่อนหรือเทียบก็บชาวบ้านนะในทุกวันนี้เนะี่ยก็ต่างกันเยอะแต่ว่าความทุกข์ของคนสมัยนี้ก็ไม่ได้ลดลงเลยหรือผู้ยหญงก็คือความสุขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทั้งที่หน้าตานะก็สาสสวยแถมทุกข์เพราะหน้าตาของตัวเองนะทุกข์เพราะ รูปร่างของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันมีข้อมูลหนึ่ ง, งที่เกี่ยวคนไทยโดยตรงนะเขาบอกผู้หญิงไทยเนี่ยมีแค่ 1% ปอร์เซที่รู้สึกว่าตัวเองหน้าตาดีนะเธอนั่งที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าต่างตัวเองเนี่ยวันละเกือบครึ่งชั่วโมงนะคือประมาณ24นาทีซึ่งมากกว่าผู้หญิงในประเทศแถวเพื่อนบ้านนะในเอเชียคเนนะเขาใช้เวลากับ หน้าต่างตัวเองเนี่ยนะวนลาแค่17นาทีนะแต่ผู้หญิงไทยนี่ใช้เวลาไปมากกว่าเขาเนี่ยเกือบครึ่งนะแม้กระ น, นั้นก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสวยเก้านะรู้สึกวตัวเองหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เดียเป็นเพราะว่าพขาคิดแบบนั้นแหละก็เลยใช้เวลากับาการาดูแลหน้าต่างตัวเองเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นที่จริงเนี่ยถ้าเทียบกับ ผู้หญิงไทยสมัยก่อนนี่ก็เชื่อว่าผู้หญิงไทยสมัยนี้นี่หน้าตาดีมากทีเดียวแต่ว่าไม่มีความสุขกับหน้าตาของตัวเองอันนี้จริงๆว่ามันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะผู้หญิงไทยเป็นทั้งโลกนะเป็นทั้งโลกเลยผู้หญิงอเมริกันประมาณ4ใน5เนี่ยไม่ค่อยพอใจกับรูปร่างตัวเองเท่าไหร่คือรู้สึกว่าอ้วนไปนะ้นําหนักเยอะไปแล้วเดี๋ยวนี้อาการนี้ก็ลามไปถึงผู้ชายด้วยผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ ไปแคร์กับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมมากเนี่ยนี้เราสังเกตดูสินค้าที่โฆษณาตามโทรทัศน์และตามสื่อต่างเนี่ยเครื่องประทินโฉมนี่สำหรับผู้ชายนี่เยอะเลยนะรวมทั้งสบู่รวมทั้งครีมท า, าผิวนะสัญญกรรมก็เช่นเดียวกันทม้ทั้งที่เราไปทุ่มเทนะกับเรื่องร่างกายเสื้อมากนะแต่ก็ไม่มีความสุขจริงจริงเนี่ยถ้าเราลองเอาเวลาแม้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะ ที่ทุ่มเทไปกับร่างกายเนี่ยเอามาดูแลจิตใจของตัวเอาแค่ว่าดูใจก็พอนะเพราะการดูใจมันไม่ได้ใช้เวลามากทํางานไปแล้วก็กลับมาดูใจเราดูใจนี่กหมายถึงมามารับรู้มาดูความรู้สึกของเราแต่คนในนี้ น, นี่ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะถามว่าถามหลายคนแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงตอบไม่ได้ไอ้ที่ตอบ น, นี่เป็นความคิดนะทงที่ตอนนี้เป็นความคิดที่อยู่ในหัว แต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเนี่ยอันนี้พูดแบบอุปมาประไม้นะความคิดที่มีอยูในใจเนี่ยความรู้สึกน ท, ที่มีอยู่ในใจเนี่ยตอบไม่ได้ว่าตอนนี้เฉยๆตอนนี้เบืออนนเบ่อตอนนี้ละนะตอบไม่ได้แม้กระทั่งความทุกข์กายเนี่ยทุกข์กายเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกนั้นระหว่างความเหนื่อยล้ากับความหิวมีหมอคนหนึ่งแกตั้งข้อสังเกตนะว่า หมอฝึกหัดเนี่ยหรือหมออินเทอร์รวมทั้งเลซิเดนเนี่ยที่ทำงานหนักหลายกะทั้งเชา้าทั้งทั้งกะเช้ากะค่ำเพราะาบางทีก็ต้องทํางานดึกๆึกดื่น ด, ด, ดสุดแท้แต่ว่าผู้ป่วยก็มีกรณีฉุกเฉินหรือเปล่าบางคนอดหลับอดนอนหลายวันพอออกจากเวร น, นะแทนที่จะเข้าไปนอนนะกลับไปนอนนะพอรู้สึกเหนื่อยล้ากลับตรงเข้าลงอาหารนะบางทีก็เข้าไปเซเว่นเนี่ยไปทำอะไร ไปหาของกินเหมือนกับว่าร่างกายกําลังหิวที่จริงร่างกายไม่ได้หิวนะร่างกายเหนื่อยล้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ทุกข์ทางกายก็ต้องกลับไปนอนนะแต่หลายคนเนี่ยไปคิดว่าร่างกายมันกำลังอุดทนว่าฉันหิวฉันหิวนะก็เลยก็ไปก็ไปหาของกินนะดึกดืดดดนะ่นนะบางทีตีหนึ่งตีสองเสร็จแล้วเป็นยังไงอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอ า, อา อันนี้เป็นกันเยอะเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกับหมอที่โรงพยาบาลสาวให้หรือเปล่านะแต่ว่าหลายโรงพยาบาลเป็นกันเยอะนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลโซนนี่โรงเรียนแพทย์ก็เหมือนกันอันนี้แม้กระทั่งความทุกข์ทางกายก็ยากไม่ออกนะว่าทุกข์เพราะล้าหรือทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะอดนอนหรือทุกข์เพราะว่ายังไม่มอีอาหารใส่ท้องนะมันต่างกันนะแต่เดี๋ยนี้แยกไม่ออก ร่างกายบอกว่าฉันอยากนอนฉันอยากนอนนะแต่ว่าไปคิดว่าเอ้ยยังกินยังยังหิวยังกินไม่พอนะขนาดทุกกายยังแย่ไม่อ่อนนะแล้วไอ้เรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันละเอียดอ่อนเนี่ยนะจะแยกแยะได้อย่างไรเพราะนั่นก็เลยตอบไม่ได้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรและบางทีความคิดเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี่มันก็ ป, ปนเปกันนะปนเปกันหลายอย่างเวลา มีใครต่อว่าเราเนี่ยมันก็มีทั้งความโกรธมันก็มีทั้งความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจมีความรู้สึกแย่กับตัวเองปนเปนกันขนาดความรู้สึกอย่างเดียวยังตอบไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรรู้สึกอะไรเนี่ยแล้วถ้าความรู้สึกที่มันปนเปนกันจากเหตุการณ์เดียวกันนี่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่แล้วพอไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างไรแล้วเนี่ยไอการที่จะแก้ทุกทางใจมันก็เลยผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะหรือว่าหลงทิศหลงทาง ให้เพียงแค่กลับมาดูใจของเราเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยชั่วโมงละสองครั้งนะพอๆกับเวลาที่ใช้ไปกับการนะดูหน้าดูตาของตัวเองนะคนเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงความเครียดน้อยลงและถ้ า, าว่าทามากกว่านั้นนะไม่ใช่แค่ดูแต่ว่าพยายามฝึกด้วยพยายามชำระใจด้วยนอกจากทำความสะอาดกายแล้วก็พยายามทำความสะอาดใจ ฝึกใจให้มีสติสมาธิเพื่อชำระความหม่นหมองในใจชำร ะ, ะสิ่งสกรปรกในจิตใจความเศร้าหมองอก็ช่วยทำให้จิตใจผ่องใสามากคนอังกฤษเนี่ยเขาใช้เวลากับผมนะอาทิตย์ละสองชั่วโมงอันนี้ก็รวมถึงการสระผมเป่าผมให้แห้งการจัดผมและการหวีผมเนี่ยบางคนมากกว่านั้นนะ ถ้ามีอายุถึง65ปีก็จะใช้เวลากับการทำผมดูแลเรื่องผมอย่างเดียวนะ7เดือน7เดือน7เดือนนี่ถ้าเอามาใช้กับการฝึกจิตฝึกใจชำระใจให้สะอาดงดงามแค่ครึ่งเดียวนี่ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยสุขทั้งกายสุขทั้งใจแลทุกวันนี้หลายคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลาภาวนานะแต่เราเอาเวลาไปใช้กับเรื่องที่มันไม่ค่อยสาคัญกับชีวิต มากมายในะอย่างแค่การาใช้เวลาไปกับผมเ้าของตัวเองเนี่ยนะทั้งชีวิตก็เจ็ดเดือนเข้าไปแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญแต่ก็สําคัญแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลามากไปหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่เอาแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะมาใช้กับการาดูแลจิตใจของตัวเองเนี่ยไอ้เรื่องอที่ทาใหก้กินไม่ได้นอนไม่หลับตีอกชกหัวก็จะน้อยลง ที่จริงเนี่ยน้าถามได้วยซ้ำว่าเราบอกไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วทาไมเรามีเวลากลุ่มออกลุ่มใจเรามีเวลาเศร้าโศกนะวันหนึ่งหลายครั้งปีหนึ่งน่ยก็นับเป็นวันๆได้เคยมีคนถามหลวงพ่อว่าห น, หนูไ ม, ม่เวลาปฏิบัติธรรมเลยนะไม่เชิงถามแต่ว่าแก้ตัวมากกว่าหนูไ ม, ม่เวลาปฏิบัติธรรมเลยหลวงพ่อเขียนแล้วก็เลยพูด กลับไปว่าแล้วทําไมมีเวลาทุกขมีเวลาโศกมีเวลาเศร้าเราเอาเวลาเหล่านี้มาจากไหนนะแล้วควรให้เวลากับมันหรือเปล่านะไอ้เวลาโศกเวลาเศร้าเวลาโกรธนะนะแล้วทําไมเราให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินทั้งที่เราบอกไม่มีเวลาไอ้ของดีๆไม่มีเวลาแต่ของไม่ดีนะเรากลับมีเวลาให้กับมันมีเวลาโกรธมีเวลาแค้นนะยังไม่ต้องพูดถึงไอ้เวลาที่ไปใช้กับการทําสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะนะ แล้ลองดูในเวลาที่เราใช้ไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระหรือเป็นโทษได้ซ้ำนะมันเยอะมากนะแต่บอกว่าไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาที่จะดูจิต ด, ดูใจไม่มีเวลาที่จะภาวนาอันนี้มันก็เลยเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ตัวมากกว่านะเราก็เลยใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ซะเยอะเสร็จแล้วก็อุดทร้องบ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแม้กระทั่งอย่าว่าแต่เวลาดูจิต ด, ดูใจพัฒนาจิตพัฒนาใจเลยแม้กระทั่งเวลากับลูก เวลาที่จะให้กับพ่อแม่ก็มักจะบ่นว่าไม่มีเวลานะแต่ไอเวลาที่ใช้กับตัวเองในสิ่งที่ไม่เป็นสาระหรือว่ามีประโยชน์อยู่บ้างแต่ใช้มากเกินไปนะอย่างเวลาที่ใช้กับการใช้กับเสื้อผ้านหน้าผมนี่มันเยอะมากเหลือเกินนะอันนี้กลับมีให้กับตัวเองไม่อั้นนะอันนี้มันก็น่าคิดน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับ